สวยเลช่วยชูเชิดเกิดงานการศึกษาแหล่งปลูกฝังประเพณีรวมภูมิปัญญาเพิ่มคุณค่าสัมปัญญาประชาคงสีขาวแดงธงพลิวปลิวสวยรวมดวงใจสามัคคีที่ชื่นชมบ้านสวาย สูวิชาโนพวังโหติสินสมาธิปัญญาพาสังสมยึดคุณธรรมนำทางสู่สังคมเราเชิญชมรวมพลังสร้างสิ่งดีครูนักเรียนเพียรผากสร้างรากฐานเพื่อโรงเรียนที่เรียกขานบ้านสวายนี้ ท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินโดยพักดีองราชาราชนีที่เธอทูล<ส speaker> สวยเลช่วยชูเชิดเกิดงานการศึกษาแหล่งปลูกฝังประเพณีรวมภูมิปัญญาเพิ่มคุณค่าสัมัญญาประชาคมสีขาวแดงธงริวปลิวสวยรวมดวงใจสามัคคีที่ชื่นชมบ้านสวยร่มย สังสมผู้รู้ดีคือผู้เจริญสุวิชาโนพวังโหติสินสมาธิปัญญาภาสังสมยึดคุณธรรมนำทางสู่สังคมเราชื่นชมรวมพลัง ส, งสร้างสิ่งดีครูนักเรียนเพียรผากสร้างรกากฐาน โรงเรียนที่เรียกขานบ้านสวายนี้เพื่ อ, ท, อท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินโดยพักดี